เทศในงานวางศิลามงคลพิพิธภัณฑ์บริขารนั้นอาจารย์มันนวัดป่าสุทธาวาสโดยท่านพระอาจารย์มหาบุญนะโมขัสสะทัคควะโตนามมาจัมพุทุขัสสะ าาพุทัตสาภควะโตอรห์โตสัมมาสัมพุทสะอิโฌมนุสปติลาโพตีวันนี้เป็นวันมหามงคลที่ท่านพุทธศาสนิกชนตามมีสักวลระเว ล, เวลา สมมัติเงินทองแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ทุสามาสู่สถานที่นี้ด้วยน้ำใสใจศรัทธาจึงจัดว่าเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับงานนี้เป็นงานสำคัญ พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบันคือเป็นงานที่เราทั้งหลายจะหาบำเพ็ญได้ยากงานหนึ่งได้แก่งานวางทีรามงคลเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ ดิษฐานบริขานและพระธาตของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นพระสําคัญในสมัยปัจจุบันคําว่าท่านอาจารย์มั่นเพีย้เท่านี้ก็รู้สึกว่าทราบซึ้งในจิตใจของเราชาวพุทธทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้เคยได้สดับตรับฟังและเคยได้อยู่ใกล้คิดสนิทกับท่านมาเป็นเวลานาน คำ ท, ที่ว่าท่านอาจารย์มั่นนี้อาจารย์ท่านอาจารย์มั่นนี้รู้สึกจะมีไม่มีวันผิดางเป็นธรรมชาติที่ประทับใจตลอดมาเพราะเหตุใดเพราะว่าท่านอาจารย์มั่นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงไปตรงมาตามหลัก ของสาวกคือสาวกทั้งหลายที่ท่านดําเนินมาในองค์แห่งการปฏิบัติที่ท่านทั้งหลายได้สวจมาเป็นประจำว่าสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงไปตรงมาญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความรู้ยิ่งแท้จริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นตามหลักที่พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สุกระกาบสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ทำอย่างยิ่งคือไม่ยิ่งไม่ย่อนองศาสดาทรงดำเนินมาอย่างใดพระสาวกท่านดำเนินมาอย่างใดท่านพระอาจารย์มั่น ก็ได้อุตสาหพยายามดำเนินองค์ของท่านตลอดมาจนกระทั่งถึงความรู้ความเห็นดังที่เคยได้เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านเองเพราะฉะนั้นแม้ท่านจะล่วงลับไปก็เป็นแต่ยังธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสิ่งผสมหรือส่วนผสมกันอยู่เท่านั้นเป็นชั่วระยะการแล้วก็สลายตัวลงไปซึ่งเหมือนกันกับ สิ่งผสมทั้งหลายแต่คุณสมบัติของท่านพระอาจารย์มั่นที่ได้ประทับในจิตใจของเราที่เป็นบันสานุณจิตทั้งหลายนั้นไม่มีวันจืดจางดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันเริ่มต้นแห่งสมมงคลอันนี้ที่จะได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาตรง บรรดาพระผู้ใหญ่หรือประชาชนทุกชัานจะได้อุตสาห์มาในงานนี้ด้วยน้ำใจของแต่ละท่านและท่านเราทั้งหลายจะได้เห็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของท่านอาจารย์มั่นในวันพรุ่งนี้อีกด้วยวันนี้ท่านทั้งหลายได้ฟังพระท่านสวดมนต์จบลงไปแล้ว เหมือนกับการระดับทำกันหนึ่งแล้วกันที่สองก็กำลังเริ่มอยู่นับบัดนี้จึงกระนาตั้งใจฟังด้วยดีการฟังทำแต่ละครั้งนั้นที่จะให้ผลตามที่ท่านสั่งสอนไว้นั้นต้องอาศัยการตั้งใจ คือไม่ทรงจิตไปสู่สถานที่อื่นในขณะที่ฟังตั้งใจฟังด้วยดีสติปัญญาก็าย่อมเกิดความสงบทางจิตใจก็ย่อมมีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการฟังธรรมนี้มีอานสง์ถึงห้าประการคือหนึ่งจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนสิ่งนั้นย่อมจะเข้าใจเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นสามจะบรรเทาความสงสัยที่เคยมีมาอยู่เสียได้โดยลำดับสี่จะทำความเห็นให้ตรงแนวตามหลักความจริงคือหลักธรรมได้ห้า จิตผู้ฟังย่อมมีความผ่องใสในขณะที่ฟัง น, นอกจากขณะที่ฟังไปแล้วย่อมเป็นผลพอยได้ให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจโดยลําดับมีการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลท่านฟังอย่างจริงอย่างจังแล้วการแสดงก็แสดงด้วยอาจเพื่อธรรมซึ่งเป็นความรู้จริงเห็นจริงจากจิตใจท่านจริงๆ ไม่เพียงสักแต่ว่าสแสดงและไม่เพียงสักแต่ว่าทรรมหรือฟังเท่านั้นอันเป็นประเพณีอันหนึ่งไปโดยลำดับซึ่งไม่มีความสำคัญใดๆในการฟังทำให้ปรากฏในความรู้สึกตั้งเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นเพียงขนรรมเนียมไปเสียศาสนาก็จะกลายเป็นศาสนาขนรรมเนียมเป็นศาสนาพิธี การฟังเทศกบการเทศก็เทศเป็นพิธีการฟังก็ฟังเป็นพิธีเลยมีแต่เรื่องพิธีเต็มโลกเต็มงสงศารไม่มีความจริงปรากฏขึ้นในใจบ้างเลยดัยงนี้ไม่ถูกตามหลักการแสดงธรรมและการทำธรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของแท้ของจริงออกมาจากพระไตรปิฎกสุดของพระองค์ท่านจริงๆ เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาน้บาบัเป็นลาภอันเปรนเสสดยิ่งแล้วตามกระทูภาษิตที่เดียกขึ้นไว้ณนเะบื้องต้นนั้นว่าจิตโฉมนุสสปติลาโพดังนี้เป็นตน้นซึ่งแปรใจความว่าการที่เราจะได้มาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หายากไม่ใช่เป็นของง่ายเลยแต่ทําไมมนุษย์สมบัติจึงปรากฏเต็มภูมิสําหรับเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้เล่า ทั้งนี้เนื่องจากคุณงามความดีของเราที่ได้สั่งสมอบรมไว้ตั้งแต่อุเพชาติ่างก่อนเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งๆ ท, ที่เป็นของที่เกิดได้ยากบรรดาศักด์ทั้งหลายมีความปรารถนาหรือมีความกระยิมยิ้มย่องที่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราทั้งหลายแต่ก็มีโอกาสจอยให้ พบอันต่ำช้าเร็วซามได้สวมเข้ามาในร่างของศัตว์ของผู้นั้นๆไปเสียก็จำนวนมากแต่เราได้โถขึ้นมาเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่หาได้ยากคาว่ามนุษย์สมบัติก็หมายถึงร่างกายของเรานี่แหละเราจะหมายถึงสมบัติทันใดเงินทองเข้าของที่เกิดมาที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วตั้งแต่มนุษย์ของเราสร้างขึ้นมาถ้ามันมีร่างกายจิตใจ เป็นเครื่องมือสําหรับสร้างสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาแล้วสมบัติเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้ชมหรือเราได้เป็นเจ้าของเนื่องจากมนุษย์สมบัตินี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาด้วยคุณงามความดีจริงๆในข้อต้นท่นานบัดจิตโชมนุษย์สปพติลาโภการที่ได้เป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราทั้งหลายได้ครองสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ อย่างเต็มภูมิของเราแล้วนับว่าเป็นราภผลาระเสดคขังเราในข้อหนึ่งในข้อที่สองว่าจิตฉังสัตวธตรรมตะวันยุงกิจขังมัจจานชีวิตตังแม้ความได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วแต่ชีวิตลมหายใจของเรา ที่จะสืบเนื่องไปด้วยคุณงามความดีไม่มีความชั่วช้าละมกเข้ามาสับสนและคุณให้จิตใจของเราวันไว้และความประพฤติของเราให้เรียลตามไปตามความอยากนั้น น, น, นั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากชีวิตของเราจะมีความทุ่มทานสืบเนื่องไปกับคุณงามความดีประพฤติตนให้ดีงามนี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะฉะนั้นจึงเป็นของที่หาได้ยากในมนุษย์หนึ่งหนึ่ง เราทั้งหลายเพิงทราบข้อนี้ไว้ด้วยดีโลกจะมีความเจริญรุ่งเรืองก็ตามจะมีความเสื่อมคิบหายายพวงจากเพียงไรก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับความรู้สึกคือความรู้ความเห็นความประพฤติของมนุษย์เป็นหลักสำคัญเราเกิดมาเพียงเป็นมนุษย์เท่านั้นก็เหมือน ก, นกันกับไม้ต้นหนึ่งจะเป็นไม้ที่มีเนื้อดีสักเท่าไรก็ตาม ราคาก็ยังไม่ค่อยมีมากแต่ไม้ต้นนั้นๆถึงจะเป็นต้นชนิดใดก็ตามเมื่อช่างนำมาเจอในดัดแปลงให้เป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาเช่นเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นศึกเป็นข้างเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็มีคุณค่ามาก มนุษย์ของเราเพียงแต่เกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างกลางตัวว่าเป็นหญิงเป็นชายเพียงเท่านั้นก็ยังไม่สําคัญส่วนสําคัญของมนุษย์หรือคุณค่าของมนุษย์นั้นได้แก่ความประพฤติความรู้วิชาพัฒยาศัยใจขอที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นไปเพื่อความเจริญแจ่ตนและผู้อื่นตลอดส่วนรวมทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำมนุษย์ของเรา คุณค่าอันนี้ไม่มีในที่ทั่วไปตามตลาดที่ไหนก็ไม่มีการซื้อการขายกันนอกจากเราจะพยายามสั่งสมขึ้นในกายในวาจาในใจของเหล่านี้ให้เป็นคุณค่าขึ้นมาแต่ละคนละคนและเป็นเครื่องเสริมบุคคล น, นั้นให้มีความสง่างามและมีคุณค่าสูงแล้วไม่มีอยู่ในสถานที่อื่นใดศีนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งหมด เป็นแนวทางเป็นเครื่องดัดแปลงให้มนุษย์เราเป็นคนดีสอนเรื่องทานก็ให้มนุษย์เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในการทานไม่เป็นคนแค บ, บตีตันให้เป็นคนกว้างขวางในทางทจิตใจความกว้างขวางนี้อยู่ในสถานที่ใดเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ใดไม่ว่ากว้างหรือแคบย่อมทําความร่มเย็นแก่ บ, บุคคลนั้นๆและสังคมทั่วทั่วไปได้ นับตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมาจนกระทั่งถึงบัดนี้การสงเคราะห์ด้วยกันนะซึ่งกันนะกันด้วยความด้วยจิตใจที่มีเมตตาสงสารนี้ย่อมเป็นทางนำมาแห่งความสงบสุขนำมาซึ่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันนะกันการรักษาความประพฤติไม่ว่าจะทางวาจาก็ตามทางความประพฤติก็ตาม เป็นคุณสมบัติประจำมนุษย์เราแต่ละอย่า ง, ลางและเป็นความดีแต่ละชิ้นดิชิ้นที่จะทำให้มนุษย์เรามีคุณค่าขึ้นมาเพราะมนุษย์ไม่ได้มีคุณค่าอยู่ยังเนื้อหนังเหมือนอย่างสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเข้าตลาดเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแต่มนุษย์มีคุณค่าอยู่กับความประพฤติความรู้วิชาอัตยาศัยใจคอนี้เป็นหลักสาคัญ มนุษย์เราที่มีความแตกต่างจากสับก็เพราะความประพฤติขับทั้งหลายเขาไม่สามารถจะประพฤติุงามความดีได้เช่นเดียวกับมนุษย์ขมับบาปเขาก็ไม่ทราบบุญเขาก็ไม่รู้นรกไปยังไงสวรรค์ไปยังไงเขาไม่ทราบทังนั้นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างไรขับทั้งหลายไม่มีโอกาสทราบแต่มนุษย์เราทราบได้ดีการประพฤติตัวตามหลัก ทำหลักวินยัยหลักขนบรมเนียมประเพณีที่มนุษย์ดึกดำบรรําเนินมาจึงเป็นคุณสมบัติเป็นคุณงามความดีสําหรับมนุษย์เรานี่แหละมนุษย์ของเราที่จะมีคุณค่ามากย่อมมีคุณค่าอยู่กับความประพฤติไม่เพียงแต่เนื้อหนังอย่างสัตว์ทั้งหลายเพาะมนุษย์เราไม่นิยมเนื้อหนังว่าเป็นสินค้าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแต่นิยมความประพฤติ ความรู้ความฉลาดที่จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดขึ้นเท่านั้นเป็น ส, สิ่งที่มีคุณค่าแก่มนุษย์ทั้งหลายใครมีความรู้ใครมีความประพฤติดีก็ชื่อว่าเป็นผู้จะดังโลกโลกให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นระดับมีจนวนมากเท่าไหร่โลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากถ้าความรู้เราไปใช้ในทางที่ผิด แม้จะฉลาดเพียงไรก็ทำความคิบหายให้แก่โลกได้เพียงนั้นอันนี้ท่านไม่เรียกว่าคุณสมบัติคันดีงามของมนุษย์แต่เป็นความเสื่อมเสียที่จะทำโลกให้คิบหายได้เรียกว่ามนุษย์เป็นคนชั่วความชั่วนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากจะมีอยู่ในกายวาจาใจที่แสดงออกเป็นความประพฤติของมนุษย์เท่านั้นทีนี้ท่านสั่งสอนไว้เรื่อยมา พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้แล้วสั่งสอนโลกและนิพพานไปองค์นี้มาตรัสรู้สืบ่อบศ า, ศ, าศาสนาด้ว่ยมา็รวนแล้วตั้งแต่นำทางอันดีงามทางอันถูกต้องทั้งหลายมาเป็นทางเดินสำหรับมนุษย์เราให้ได้เดินตามทางแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ให้แย่งเอาทางของสัตว์ประหลาดมาดำเนิน ทำมาแย่งเอาทางของสัตว์เดรัจฉานมาดําเนินนั้นเป็นอย่างไรสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีบุญมีบาปเขาไม่นิยมว่าเป็นดีเป็นชั่วไม่นิยมความเปล่งอกเปล่งใจว่าอันใดผิดอันใดถูกแต่มนุษย์เรานี้รู้ทุกอย่างหากไม่ทําตามความรู้ความเห็นความเป็นจริงแห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านสอนไว้ก <c> ล <oughs> ับกลับไปแย่งทะทางเดินกับสับตว์ไปเสีย มนุษย์ทั้งหลายก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นได้มากมายนี่เรียกว่าทางเดินของสัตว์ไม่ดียิ่งมนุษย์ไปแยกเดินทางของเขาแล้วยิ่งทําความเสียหายให้ได้มากยิ่งกว่าสัตว์เพราะเหตุว่ามนุษย์เราฉลาดกว่าสัตว์ฉะนั้นการสั่งสอนศีลธรรมเราอยากเข้าใจว่าสอนไว้เพื่อใคราศาสนาไม่ได้อยู่กับบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ แต่มีไว้เป็นส่วนกลางๆเรียกว่าเป็นสมบัติกลางใครมีความเชื่อความน้มใสายนำศาสนามาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปในทางดีงามตามหลักของศาสนาที่สอนไว้ผู้นั้นก็มีคุณค่าผู้นั้นก็มีสง่าราศีผู้นั้นก็มีคนเคารพนับถือและทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นไปสู่สถานที่ใดมีคนเคารพนับถือนี่คือคุณค่าแห่งมนุษย์เป็นอย่างนี้ การปฏิบัติโดยล ำ, ำพังเรานั้นไม่สามารถจะทำตนได้ดีให้ดีได้ต้องอาศัยหลักวิชาหรือแนวทางที่ท่านผู้รู้ผู้ฉลาดสั่งสอนไว้แล้วเราพยายามดำเนินตามนั้นจึงจะมีทางเดินเราเกิดมาไม่มีอะไรมีแต่กายกับใจ ความรู้วิชานี้ต้องอาศัยพ่อใาแม่อาศัยครูอาจารย์อาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่อง ส, สอนเล่นเป็นทางดําเนินนี่เราทั้งหลายได้เกิดในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงศาสนาหนึ่งชีวิตจิตใ จ, จของเราก็ควรใช้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับหลักศาสนาจึงจะเป็นชีวิตที่มีความสดชื่น ร่มเย็นแก่ตนของคนและส่วนรวมคนมีศาสนาอยู่ที่ไหนก็น่าดูถ้าศาสนาได้ปกครองก็คือคุณนัดก็คือทำปกครองในบุคคลคนนั้นิริยาที่แสดงออกจะเป็นที่แสดงหูแสดงตาแสดงใจคนอื่นทั้งนั้นไม่เป็นของดีเลยนี่คือความบกครองของศาสนาในบุคคลแต่ละคนไม่ใช่ศาสนามีความจเจริญขึ้นและเสื่อมไป โดยลำพังแต่เรื่องของบุคคลล้วนๆทำให้ศาสนาเจริญขึ้นและเสื่อมไปเนื่องจากศาสนาสอนไว้เพื่อบุคคลลำพังศาสนาเองนั้นไม่ได้มีความเจริญไม่ได้มีความเสื่อมไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้ติดคุกติดตารางไม่ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรมตลอดนิพพานศาสนาเป็นแนวทางสอนไว้เพื่อมนุษย์ จะดําเนินตนไปในทางที่ดีงามเท่านั้นเราทั้งหลายพึงทราบว่าศาสนาเจริญ น, นั้นจเจริญอยู่ที่กายวาจาใจของคนเราศาสนาเสื่อมนั้นเสื่อมอยู่ที่กายวาจาใจของเราศาสนาเสื่อมเป็นอย่างไรบ้างโลกมีความเดือดร้อนคำว่าโลกมีความเดือดร้อนก็หมายถึงตัวก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะต่างคนต่างไม่มีหลักความจริงประจําตนต่างประพฤติ แต่ตามความอยากความทะเยอทะยานไม่มีสิ้นสุดแม่น้ํามหาสมุทรจะกว้างขวางลึกขนาดไหนก็ตามยังมีฝั่งมีป่าแต่นัาทีตัณหาสมานาทีคือความทะเยอทะยานอยากภายในหัวใจของสัตร์โลกนี้ไม่มีฝั่งมีป่าไม่มีใครสามารถจะอย่างได้ว่าลึกขนาดไหนตื้นขนาดไหนเพราะเป็นสิ่งที่กว้างขวางมากนี่ เราทั้งหลายควรพยายามอย่างดูจิตใจของเราที่ตรงนี้ให้ดีก่อนอื่นเราจะทราบได้ว่ า, าศาสนาจะเจริญขึ้นได้ในสถานที่ใดถ้าเราไม่พยายามดัดแปลงตนของเราให้เป็นสิ่งที่ดีงามขึ้นมาภายในตนาศาสนาจะเสื่อมที่ใจของเรา ศาสนาเสื่อมที่ใจของเราเราก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนไปที่ไหนมีความเดือดร้อนด้วยกันหมดเราเพิ่งทราบว่าศาสนาเสื่อมอยู่ที่คนเพราะคนเป็นผู้มีความเดือดร้อนถ้าศาสนาจเจริญแล้วพูดกันรู้เรื่องสมมติขึ้นง่ายๆว่าหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่ ผู้มีหลักเหตุผลแล้วจะตอบว่าหนึ่งกับหนึ่งบวกกันต้องเป็นสองสองกับสองบวกกันต้องเป็นสี่และบวกกันสูงขึ้นไปเป็นจำนวนเลขสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็บวกโดยถูกต้องตามหลักเหตุผลแม้จะเป็นจำนวนล้านล้านข้ตามห้ามถูกต้องนี้ย่อมเป็นไปโดยสเสมอเสมอจนถึงสุดสุดท้ายแห่งการบวกแห่งการบวกแล้วการประพฤติัวของเราก็เหมือนกัน เราพยายามเก็บเล็บผสมน้อยพยายามดัดกายวาจาใจของเราให้ถูกตรมทำนองฟองทำไปเสมอความถูกต้องดีงามนี้จะมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเราบวกเลขจํานวนน้อยไปถึงจํานวนมากถูกต้อ ง, งไปไปโดยลําดับหาที่บกครอบไม่มีการกระพฤติตัวเช่นนี้เรียกว่าศาสนาเจริญ ถ้าต่างคนต่างมีความสนใจในเหตุในผลเช่นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะโลกนี้ไม่ว่าจะโลกไหนความเดือดร้อนจะไม่มีเพราะความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดต่างหาก mm. เมื่อการประพฤติตัวถูกอยู่จะอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่เช่นใดย่อมมีความสุขเป็นที่พึงหวังอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จึงเพื่อเราทั้งหลายผู้กําลังนาเนินอยู่เวลานี้คติของเรานั้นยังไม่แน่เราแน่แต่ว่าเราได้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่เป็นแดงเกิดแต่คติที่จะไปข้างหน้านั้นถ้าเราไม่สร้างความแน่นอนไว้สําหรับตนด้วยความดีทั้งหลายหน้าบัตรนี้แล้วคติของเราจะไม่แน่นอนเลยแม้จะเคยเป็นมนุษย์ อาจจะเปลี่ยนสภาพจากความเป็นมนุษย์เพราะความชั่วมันผลักดันให้ลงทางต่ำอาจจะเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกตกนรกที่ไหนก็ไม่ทราบเพราะความชั่วย่อมจะฉุดลากเราลงสู่ทางต่ำเสมอไม่เคยได้ยินว่าความชั่วทั้งหลายนั้นจะฉุดลากคนให้ขึ้นสู่สูงโดยลำดับนอกจากความดีนี่เท่านั้น ความดีกับความชั่วนี้เป็นหลักดั้งเดิมมาตั้งแต่การไหนไหนศาสนาที่ท่านสอนไว้สอนตามหลักธรรมถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นไม่มีใครจะสามารถลบบุญลบบาปลบความสุขความทุกข์ออกได้โดยไม่มีเหตุผลเลยต้องลบออกได้ด้วยเหตุผลคือถ้าความชั่วมีอยู่ในตัวของเราทุกก็ต้องมีวันย่างคการที่จะ ละทุกหรือจะดับทุกทั้งหลายเราต้องละความชั่วที่เป็นเหตุให้เกิดทุกขนั้นโดยลําดับทุกก็จะค่อยดับไปเป็นลําดับสำนับเช่นเดียวกันผู้จะลบความดีก็คือสร้างความชั่วเข้ามาทับทมความดีของตนความดีที่เคยมีอยู่แล้วค่อยๆจืดจางหายไปหายไปในกายวาจาใจปันจุไว้แล้วตั้งแต่ความชั่วเสียหายทั้งนั้นผลจึงเกิด เป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความสุขที่เคยได้รับก็หายไปการลบล้างดีก็าตามชั่วก็ต่ า, ตามต้องมีเหตุผลลบล้างเราจะลบล้างเอาเฉยๆนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นว่าบาปมีบาปหมายถึงเรื่องอะไรบาปก็คือความเศร้าหมองความไม่ดีทันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นท่านเรียกว่าบาปตามหลักธรรมท่านเรียกว่าบาปก็คือสิ่งที่ไม่พึงปราถนานั่นเอง บุญนั้นหมายถึงความสุขไม่ว่าความสุขทางกายไม่ว่าความสุขทางใจท่านเรียกว่าพระบุญและคำว่าบุญหรือความสุขความเจริญนี้ไม่เคยจืดอจางมาตั้งแต่กาลไหนไหนสัตว์ทุกประเภทต้องการด้วยกันเมื่อเราทราบความประสงค์ของเราและผู้อื่นก็มีความต้องการเช่นเดียวกันนี้จึงควรบำรุงเหตุ หกลมเหตุคือทางที่ดีให้เกิดขึ้นความสุขนั้นจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเองดังที่ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์สําคัญที่เราทั้งหลายได้มาเคารพนบน้อมอยู่เวลานี้ก็เพราะท่านได้พยายามบําเพ็ญองค์ของท่านด้วยความตะเกียบตะกายด้วยความบูสา ح, พยายามไม่เห็นจากความเหน็ดความเหนื่อยความลําบากลําบ่น มุสาําเพ็ญ ม, มาตั้งแต่ ว, วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่จนบัดนี้ความเมื่องจากความะเกียส ก, กายความะเกียส ก, กายก็คือความฝืนนั่นเองทําไมจะไม่ฝืนการทําทงานทุกด้านต้องฝืนเพราะเป็นงานคําว่าเป็นงานก็ต้องมีความเคลื่อนไหวมีหนักบ้างเบาบ้าง มีลำบากลาบนบ้างเป็นธรรมดาแต่เหตุผลเราทราบอยู่แล้วว่าความลำบากนั้นเป็นไปเพื่อผลอันดีก็อุตสาห์ทำกันไปท่านผู้ที่บวชในาศาสนาะยกตัวอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันนี้มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นท่านทำไมท่านจะไม่ลำบากท่านอยู่ในปา่าท่านขันจังหันมือเดียวแล้วเดินไปตามปา่าตามเขาวันยังคาในบางการบางเวลา บ้านภูบ้านคนก็ไม่มีไม่เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่มนุษย์ไปที่ไหนมีแต่บ้านมีแต่ตึกรามบ้านช่องมีแต่อาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ท่านไม่อยู่ในสถานที่เช่นนั้นท่านจะอยู่ตามป่าตามเขาในที่คับแคบในที่ไม่สะดวกสบายแต่เป็นความสะดวกสบายในการบำเพ็ญศีลบาเพ็ญธรรมบาเพ็ญสมาธิภาวนา จนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายถึงพระนิพพานทั้งเป็นคือเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็เรียกถึงพระนิพพานท่านยังสามารถทําได้ทําไมจะไม่ลําบากการอดก็ต้องลําบากการหิวก็ต้องลําบากการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆก็ต้องต้องลําบากแต่ก็ฝืนเอาเพราะเราต้องการความดีความดีต้องมีการฝืน นี่เราทั้งหลายก็เหมือนกันต่างที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญมามากน้อยไม่ว่าทางทานทางศีลทางเจริญเญมตตาภ า, าวนาก็จาเป็นก็ต้องฝืนบ้างเหมือนกันถ้าไม่ฝืนจะปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะเอาไปกินเสียหมดก็หมดเนื้ อ, ห ม, อหมดตัวไม่มีอะไรเหลือสมบัติในโลกนี้มีอยู่มากเราจะหึงหวงไว้มากสักเท่าไหร่ก็ตามมันก็ได้เพียงเท่านั้นแหละพอถึงการเวลาที่ ธาตขันซึ่งเป็นส่วนผสมนี้แตกกระจายลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดความหมายลูกก็หมดความหมายเมียก็หมดความหมายหลานเหรนอะไรหมดความหมายสมบัติพัสดุสานบ้าน่องอะไรายนีจํานวนมากน้อยหมดความหมายประจันตามกันเพราะร่างกายของเราหมดความหมายใจหาที่ยึดที่อาศัยไม่ได้ก็ต้องสลายตัว อ, อกก็ต้องแยกได้ออกจากส่วนร่างกายอันนี้แล้วไปปฏิสนธิใหม่ ทำมาไปปฏิจนที่ใหม่นั้นได้แก่ไปเกิดอีกนั่นเองตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่มีไม่มีใครเกินหน้าสัตว์ในโลกนี้สัตว์ในโลกนี้เป็นนักเกิดแก่เจ็บตายทั่วหน้ากันไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่าใครว่าใครมีพบมากพบน้อยเกิดน้อยตายมากไม่มีต่างคนต่างเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วปรากฏว่าใครได้หาถามสมบัติภระถานที่มีอยู่ในโลกนี้ไปโลกหน้าได้แล้ว ไม่ปรากดเลยแม้แต่ร่างกายที่เราเลี้ยงมาไม่มีอะไรที่จะลําบากลําบนทะนุถนอมยิ่งกว่าร่างกายของเราตั้งแต่วันเกิดมาแม้เช่นนั้นก็ไปกับเราไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงดูก็เต็มทนทนจนไม่ไหวบางทีมีลูกหลายคนพ่อแม่แทบลม้มแทบตายหาเช้ากินเย็นไม่พอพอปากจนแล้วยังไม่พอปากลูกลูกคนนั้นหลานคนนี้ยุ่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนมีแต่วิ่งเต้นหาอยู่หากิน หานะเครื่องนุ่งผมใช้ส้อยเพื่อลูกเพื่อตนแ้เช่นนั้นพอผ่านพ้นนั้นมาแล้วเราก็ต้องเกี่ยวเกี่ยกเพื่อเราถึงจะขนาดไหนก็าตามจริงที่เป็นเครื่องกังวลอันใหญ่โตคือธาตุขันอันนี้ก็ไม่ติดตัวเราไปแม้แต่ชิ้นหนึ่งตายทิ้งไว้กับโลกอันนี้ทั้งนั้นนี่ออกจากนี้แล้วก็ไปเกิดข้างหน้า ข้างหน้านั้นมีอะไรเป็นเครื่องขักดันมีอะไรเป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้มนุษย์ะเกิดในคติในสถ า, านที่ดีคติที่งามนอกจากปุนวางความดีนี้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าสมบัติภายในสมบัติภายในหมายถึงบุญถึงกุลนเป็นเชื้ออันน้าคัญสังอยู่ภายในจิตใจใจนี้เป็นของไม่ตายไม่มีป่าช้าไม่มีเมนเป็นเครื่องเขาตกเหมือนอย่างร่างกายนี้ ถ้าเรามีคุณงามความดีได้สั่งสมไปแล้วเราไม่ต้องถามหาที่เกิดจะเกิดมาสถานที่ใดไปสู่กำเนิดใดไม่ต้องถามความดีจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปสู่สถานที่ที่เราต้องการเพราะความดีนั้นไม่เคยปรากฏว่าได้ฉุดลากคนลงสู่ทางต่ําและฉุดลากค น, คนให้ผิดหวังคือทําคนให้ผิดหวังนั้นไม่มี ศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงเป็นของจริงตลอดมาเนื่องจากพระองค์สอนตามความจริงการทำบาปต้องเป็นบาปใครจะลบล้างไม่เป็นบาปไม่ได้นี่เป็นหลักความจริงการทำบุญต้องเป็นบุญไม่มีใครลบล้างได้จึงเรียกว่าศาสนาเป็นของจริงคือสอนตามความจริงไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงโลกเนื่องจากพระพุทธเจ้า ผู้ที่ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายนั้นตรัสรู้ของจริงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์แสดงธรรมบดตจบาดใจออกมาต้องเป็นความบริสุทธิ์หรือเป็นความจิงล้วนวนไม่เหมือนปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสเครื่องโกหกมายาอันนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจผูดออกมาน้อยคําจะถือเป็นสารแกงสารได้จากยี่สิบห้าคำก็หายากนอกจากนั้นโคหกกันไหมดจนเคยชินต่อห น, นิสยัยไปที่ไหนไม่โกหกอยู่ไม่ได้ โกหกคนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นที่เปิดเผยโลกทั้งหลายได้ทราบแต่การโกรหกตัวเองนี้ไม่ค่อยจะมีใครทราบแม้ตัวเองก็ไม่ทราบมาตนเองได้กลูกตัวเองโกหกมาแล้วมากน้อยเพียงไรทำไมจึงว่าอย่างนั้นเวลาเราจะทําสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็นเนื่องจากอิทของเราที่มีกิเลสประเภทหนึ่งกระซิบ อ, อยู่ภายในใจว่า อย่างนั้นดีทําอย่างนี้นี่ดีทั้งๆ ท, ที่เป็นของเกิดความเดือดร้อนทําให้ตัวเองเกิดความเดือดร้อนเสียหายแต่เครื่องหลอกอันนั้นบอกว่าดีดีเราก็ทําไปตามความหลอกหลอกวันนี้ทําแล้วหลอกวันหน้าทําไปเรื่อยๆจนเสียผู้เสียผลหมดคุณค่าในความเป็นมนุษย์เหลือแต่ร่างมนุษย์ติดตัวอยู่เท่านั้นนี่ก็มีจํานวนมากไม่ใช่จํานวนน้อยๆนี่คือหลอกตัวเองหลอนตัวเอง เวลาจะสร้างคุณงามความดีหรือประพฤติตัวให้ดีนี่จะเกิดความขี้เกียจหลอกลวงตนเองมากไม่จาเป็นทำไปทำไมบางทีก็เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำไม่ไปตามชอบใจตายแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมันไม่ช่างเรานั่นแหละเป็นผู้จะรับผลเหมือนอย่างเราเดินเข้าไปเนี่ยเอาเราเกิดมาชาติเดียวเดินเข้าไปเถอะไปมันไม่เป็นไรแล้ว เราจะบอกว่าไฟไม่ร้อนก็นตามแต่หลักธรรมชาติของไฟนั้นร้อนอยู่แล้วตามปกติของตนเดินเข้าไปก็ต้องร้อนเพราะไฟนั้นขึ้นอยู่กับความจริงของตนไม่ได้มีใครสามารถจะลบล้างได้ว่าไฟนี่อย่าร้อนตามความสําคัญไฟต้องร้อนทีนี้เราก็เหมือนกันเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราด่วยมาตั้งแต่พบไหนการในปัจจุบันก็ดีอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ดี และอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราคือทำดีเราต้องในรับผลดีเรื่อยไปเราทำชั่วเราต้องในรบรับผลชั่วเรื่อยไปคำว่าช่างมันนั้นเป็นแต่ความสำคัญของกิจนหนึ่งที่หลอกลวงเราขึ้นมาเวลาตกตาตนเข้าไปตาจริงๆแล้วคำว่าช่างมันไม่ไม่มีความหมายไม่ทราบว่าหายหน้าไปไหนเราผู้ หลงตามความช่างมันนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากไม่แค่นั้นโลกเราเกิดมาเป็นต้องเป็นเป็นได้าตามความปรารถนาด้วยกันแต่เหตุใดแม้จะเป็นมนุษย์ด้วยกันบางค น, นงมีความโง่บางคนฉลาดบางคนมีฐานะดีบางคนมีฐานะต่ำบางคนโง่เง่ า, งาเตาตุนที่สุดบางคนรูปสวยรูปงามบางคนขี้เลี้วขี้เล บางคนนึกอะไรก็ได้สมมติสมหมายสงคามมุ่งมา่ปตั้งนาทําไมจึงเป็นอย่างนั้นนิสัยว่าสนาหรือหรือนิสัยใจคอความประพฤติธปฏิบัติของคนเรามันไม่เหมือนกันนั่นเองิงที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาจึงมีความแตกต่างกันไปโดยลํำดับแม้แต่เราจะอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยกันในเวลานี้รูปร่างเราลองดูที่ไม่มีใครเหมือนกันเลยแบบความเหมือนกันนั่นก็คือว่า เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนั้นเหมือนกันลักษณะท่าทางของหญิงของชายของแต่ละลายละลายนั้นจะไม่เหมือนกันเลยนี่คือลากฐานแห่งนิสัยที่มีอยู่ภายในใจนั้นผิดแตกต่างจากกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะแสดงขึ้นมาจากเหตุที่มีความแตกต่างกันนั้นจึงต้องต่างกันไปอยู่เป็นปกติที่แยกไม่ออกใครจะมาลบล้างไม่ได้ เมื่อเราทราบเช่นนี้แล้วเราจึงควรพยายามสร้างทั้งท้งโลกก็ให้เจริญสร้างทั้งความดีหมายถึงทรัพย์ภายนอกเราก็แสวงหาทรัพย์ภายในคือบุญกุศลก็ให้ได้เพราะใจนี้แน่นอนที่จะต้องเกิดที่จะต้องตายเป็นทางเดินของจิตอยู่อย่างนี้เรื่อยไป เนื่องจากวัตจักรที่มีอยู่ภายในจิตนี้เป็นสิ่งที่จุดลากหรือเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตต้องไปสู่กําเนิดเกิดในสถานที่นั้นที่นี้โดยไม่มีใครสามารถจากท่านกลางห่วงห้ามไว้ได้นอกจากท่านผู้ประพฤติตนแก้ไขสิ่งที่เป็นเชือ้ออันจะทําให้เกิดให้ตาให้เกิ ด, ใ ห, ก ด, ใ, หกดให้ตาอยู่ภายในจิตนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ ในคำว่ากิเลสแม้ละเอียดที่สุดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ดนล้วนแล้วผู้นั้นแลคือผู้ตัดชาติความเกิดชร า, าความแก่พยาที่ความเจ็บมรณะความตายเสียได้สร้างแต่ขณะที่จิตบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีวันถือกํนเิดเกิดมาตรฐานที่ใดให้เป็นที่จับจองแห่งป่าชาได้อีกต่อไปเลย เวลาพยายามมัจจุราชเข้ามาถึงตัวก็ได้แต่กา ก, ากเมืองกากนาครคือกายยนคร น, นี้ไปตายเหมือนโลกเขาสำหรับอัตภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วนี้มีคู่อยู่ว่าเกิดแล้วต้องตายแต่เชื่อภายในไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ในจิตแล้วจิตนั้นไม่เกิดทั้งไม่ตายนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพาน ชื่อว่านิพานนี้ท่านให้ชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิล์ล้วนๆนั้นแหละชื่อว่านิพานจิตใจของเรามีการดัดแปลงแก้ไขได้ซกักพอกให้มีความสะอาดของสายได้ทำความหมุนหมองหรือเจ้าหมองแห้แก่ตนก็ได้คนเราจะดีจะชั่วดีชั่วอยู่ที่ใจ ใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการอบรมและทำเครื่องอบรมนั้นไม่มีทำใดจะยิ่งไปกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นธรรมที่ได้การกรองออกมาแล้วจากความบริสุทธิ์ของพระองค์เองเพราะพระองค์รู้จริงเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างการตรัสออกมาแต่ละประโยคแต่ละบทระบาดจึงเป็นความจริงล้วน ผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนไว้ไวน้นี้จึงไม่เป็นผู้ผิดหวังทางเดินที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมนั้นคือทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้นี้เท่านั้นแม้จะทําตนของตนให้ถึงความบริสุทธิ์วิมุติพระนิพพานก็ไม่นอกเหนือไปจากพระโอาวาทคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีหลายชั้นชั้นหยาบ หรือชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงสุดมีอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดถ้าจะเตียบปุภมา ก, ก็เหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆ ใ, ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นมีสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าต้องการสินค้าชนิดใดเลือกได้ตามต้องการเลือกได้ตามกําลังแห่งสมบัติของตนว่าสมบัติของเรามีจํานวนมากน้อยเพียงใงต้องการสินค้าชนิดใดที่สมควรเกิ ค่าแห่งเงินของเราก็เลือกได้ตามต้องการในห้างร้านใหญ่ๆนั้นหลักศาสนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันผู้ต้องการในทำขั้นใดก็มีในหลักศาสนาไว้แล้วศีลขั้นใดสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจงกระทั่งถึงมิมุติพระนิพพานมีอยู่ในหลักพศาสนานี้ทั้งหมดเช่นเรียบเหมือนกับห้างร้านใหญ่ๆจึงไม่มีอะไรบกพร่องเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเราเป็นราภันพระเสด็จอันหนึ่งชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ซึ่งโลกทั้งหลายหมู่เป็นหมู่เพื่อนอันเดียวกันเขาตายไปจำนวนมากมายไม่ทราบว่ากี่ล้านในโลกอันนี้แต่เรายังมีความไล็ดอดมาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ น, นับว่าเป็นบุญของเรา บุญอีกชั้นหนึ่งก็ชีวิตของเราได้มีความสืบเนื่องมาด้วยศีลด้วยธรรมรู้จักบาปบุญบุญโทษบำเพ็ญประโยชน์เพื่อตนและผู้อื่นโดยสม่ำเสมอนี่ก็เป็นประโยชน์น อ, อันหนึ่งจิตแข็งสัตว์ธรรมาติวณังการฟังธรรมเป็นของยากนี่ในหลักพุทธศาสนาท่านสอนไว้ว่าการฟังธรรมเป็นของยากนั้นคือพระพุทธเจ้าที่จะมาอุบัติตรัสรููขึ้นมาให้สอนอัดสอนธรรมแก่โลก แต่รับพระองค์นั้นเป็นของที่ยากที่สุดแต่เราก็ได้พบพระธรรมคือท่านประกาศสอนไว้แล้วเราอยากฟังเมื่อไรก็ได้ฟังทางวิทยุก็ได้ดูทางโทรทัศน์ก็ได้ฟังที่ไหนฟังได้หมดก็เป็นบุญของเรานี่เราเกิดมาพร้อมแล้วด้วยสมบัติทั้งสามสี่ประการคือความเป็นมนุษย์เราก็ได้เป็นมาแล้วการฟัง ชีวิตของเราที่ผ่านพ้นมาจนมาะทั่งถึงวันนี้เราก็เห็นประจักษ์กับตัวของเราการฟังธรรมมาเป็นของหาได้ยากเราก็ได้ฟังมาโดยลําดับฟังไปจนขี้เกียจฟังแต่ว่าอย่างไรแต่ว่าความหมายของธรรมนั้นมีอย่างไรมัง่งเราไม่ค่อยนําไปคิดเหมือนกับว่าธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งจากเราเราเป็นหนึ่งจากธรรมเป็นกันคนละโลกความจริงธรรมกับเราก็คืออันเดียวกัน ถ้าเรามีความมุ่งต่อความสุขความเจริญทำก็เป็นแนวทางที่ดีงามที่สุดไม่มีทางใดที่จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามยิ่งกว่าธรรมะนี่ก็เป็นทางเดินของเราผลที่จะพึงได้รับตั้งแต่ความสุขอัญยับจนกระทั่งถึงความสุขอละเอียดสุดได้แก่พรีพานก็ไม่นอกเหนือจากธรรมและความต้องการของเราก็มีความต้องการเช่นนั้นจึงอย่าลืมความต้องการของตน ในขณะนี้เราทราบได้อย่างชัดเจนทุกๆ ท, ท่านว่าชีวิตของเรายังมีอยู่แต่คติของเราที่จะเป็นไปในการข้างหน้านั้นเป็นอย่างไรพยายามตัดแต่งหรือสอบตองดูตัวเองอย่าให้ปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะหลอกลวงลองตัวเองทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีวันอิ่มทอคนอื่นโกโหกเราเพียงครั้งสองครั้งเราก็เข็ดหลับเช่นคนนั้นมาโกโหกเราว่าอย่างนั้นแต่ไม่เป็นความจริงเราก็เชื่อสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง ก็ทำให้เรารู้สึกตัวและเปรียดทางคนนั้นไม่ปราถนาที่จะให้เขาหลอกลวงต่อไปการพิจารณาย้อนเข้ามาหัความหลอกลวงของตัวเองได้เช่นนั้นยิ่งเป็นของดีมากการพิจารณาเพื่อจะให้ทราบเรื่องความหลอกลวงตนเองนั้นคือพิจารณาอย่างไรการสอนให้เข้ามาดูที่ใจของเรา วันหนึ่งคิดหลอกลวงเรากี่ครั้งกี่หนมีคนมายามากน้อยเพียงใดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ากิเลสที่สิงอยู่กับจิตนี้หลอกลวงคนหลอกว่าจะเป็นอย่างนั้นหลอกให้เป็นอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติตามเขาทาลายเขาล่มไปจมไปจมไปแต่เราไม่ยอมรู้สึกตัวและไม่ยอมรู้สึกโทษแห่งความผิดของตัวนั้นก็ทําให้ล่มจมไปได้เมื่อเรานําหลักธรรม คือเหตุผลเข้ามาเทียบเคียงถึงความคิดความปรุงของเราว่าดีหรือชั่วแล้วเราแก้ไขดัดแปลงตนของเราให้เป็นไปตามหลักที่ถูกส่วนที่ผิดเราพยายามแก้ไขหรือฝืนใจไม่ทําตามนี้ชื่อว่าเราเห็นโทษแห่งความโกหกของเราเมื่อเราเห็นโทษแห่งความโกหกที่เกิดภายในใจของเราแล้วต่อไปใจที่เคยโกหกมาดังเดิมก็ลดการโกหกลง ความดีของเราความจริงของเราก็ย่อมมีขึ้นเหตุผลประจำตัวของเราที่จะพึงปฏิบัติไปในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็มีเหตุผลมาพร้อมพร้อมเราก็ปฏิบัติถูกต้องดีงามไปได้ผลคือความสุขความเพรินก็ย่อมมีแก่ท่านผู้ปฏิบัติวันนี้อธิบายถึงธรรมในภาคทั่วทั่วไป ท่านที่สนใจในทางสมาธิภาวนาก็กรุณาดูใจตัวเองใจนี้เป็นสิ่งสำคัญดังที่อธิบายแล้วต้นเหตุที่สุดหรือรโรงงานอันใหญ่โตที่สุดก็คือใจจึงควรนำอาหารที่ดีนำวัตถุหรืออารมณ์ที่ดีเข้าไปสู่โรงงานไปป้อนโรงงานของเรา คือนำอารมณ์อันเป็นศีลเป็นธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้จิตใจมีความรักชอบประกอบในศีลในธรรมเราจะมีความเจริญผูบําเพญสมาธิคงของใจหมายถึงความสงบของใจได้เมื่อมีความสงบยอมมีความเย็นรากฏขึ้นโดยไม่ต้องหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนเพียงแต่ความสงบรากฏขึ้นที่ใจเท่านั้น ความสุขก็ปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตัวท่าที่ใจเราไม่มีความสบายเลยและเป็นสิ่งที่ร้ายคุณค่าโดยที่ใจนี้มีคุณค่าอยู่ในหลักธรรมชาติของตน <S <S ก็เนื่องจากจิตนีก่อกวนตัวเองหาความสงบไม่ได้นั่นเองความสุขจิงไม่ปรากฏเมื่อใจมีความสงบด้วยการอบรมจะวิธีใดก็ตามเป็นกำหนดพุทโทธพุทโทธก็ตามอนาปานสติก็ตาม ถาใจมีความสงบอยู่กับธรรมบทใดพึงพทราบเถิดว่าธรรมบท น, นั้นแหจะทําความสุขให้เกิดขึ้นแกใจของเราใจจะเป็นแม้จะไม่เคยเป็นสมาธิมาก่อนเล ย, เลยก็ตามจะเป็นสมาธิคือความสงบเย็นใจให้รู้ประจักษ์กับตัวเองนั่นแหละนี่คือเรื่องของสมาธิ เรื่องของปัญญาก็ให้พิจารณาเรื่องธาบเรื่องขันเรื่องความเกิดความตายทั้งท่านทั้งเราทั่วโลกโพรงศารมีตั้งแต่ป่าชา้าเต็มไปหมดแม้ตสถ า, านที่เรานั่งอยู่เวลานี้อยากเข้าใจว่าไม่ใช่ป่าชา้าไม่ใช่ป่าชา้าของเราก็ป่าชา้าของสัตว์ขนเล็กแน้อยเกิดที่ไหนอยู่ที่ใดตายที่นั่นตายเก่อนคนเต็มอยู่ทั้งในน้ําบ น, บ, นบกทําไมจะ ม, มีป่าชา้าเรามาเสกสรรปั้นแตงเอาว่ามีป่าชา้าเฉพาะมนุษย์นี่เท่านั้น ความจริงสัตว์ทั้งหลายก็มีตาอยู่ทุกแห่งหนนเราเดินเข้าไปดูตลาดก็รู้ว่ามีจํานวนสัตว์ที่มาเป็นป่าช้าอยู่นั้นมากน้อยเพียงไรแต่เราถือว่าเป็นของดีเป็นอาหารวานคาวของเราไปเสียเลยไม่สนใจคิดว่านั้นก็คือปา่าช้านี้ก็คือปา่าช้าย้อนเข้ามาถึงร่างกายของเราภายในนี้มีอะไรบ้างผสมผสมกันอยู่นี้ทั้งของเก่าของใหม่ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นปา่าช้านี่คือปัญญา พิจนาให้เห็นชัดอย่างนี้ในร่างกายของเราทุกส่วนเต็มไปด้วยปา่าช้าอาศัยสัตว์ต้ากาสิ่งอะไรเข้ามาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงปมฟือกันมาตั้งแต่วันเกิดสังสมปา่าช้าไว้เต็มหัวอกไว้เต็มร่างกายเรายังไม่ทราบว่าตัวของเราคือป่าช้าอยู่หรือนี่คือปัญญาพิจนาหเห็นชัดอย่างนี้แล้ว จิตก็ปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายที่สําคัญว่าเป็นของสวยของงามเป็นของแนีนหนามันคงแต่ล้วนแล้วเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของอันตรจังทุกขหงอาตาเต็มโลกเต็มองศาจิตจะไปสําคัญมั่นหมายย t, ึดถือให้หนักตัวของของตัวได้อย่างไรเล่าเมื่อทราบว่าเป็นโทษเมื่อทราบว่าเป็นสิ่งที่ควรกลัวเมื่อทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือเป็นสิ่งที่ควรปลอ่ลปอยวางแล้วจิตย่อมจะปล่อยวางตัวของตัวออกเอง จากผู้ประทานคือความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาสอบสองรู้เท่าตามเป็นจริงจิตจะไปยึดถือสิ่งนั้นได้อย่างไรต้องปล่อยมาเป็นลําดับลำดับปล่อยเขาจมาทั้งถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาปล่อยทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาปล่อยจนกระทั่งจิตที่ถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่สิงอยู่ในหัวใจนั้นให้เสกสรรตั้ น, นแต่งตนเองขึ้นมาว่าเป็น เขาจิตเราจิตท่านจิตเราความจริงธรรมะจิตจิตนี้ก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาชวะเมื่อชําระเข้าไปด้วยอํานาจของปัญญาพิจารณาสอบสองจนมองทะลุคูกรงไปหมดแล้วกิเลสที่ซุ่มซ่อนอยู่ภายใจิตใจนั้นก็ไม่มีทะลุไปหมดแต่กระจายหมดเราไม่ต้องถามหานิานิพานเราไม่ต้องถามหาความสุขความสบายอันเลิศโลกเลิศสงสารคืออะไรก็คือจิตที่ปราศ จ, จากกิเลสเครื่อง บอกวุตัวเองทั้งหมดได้นั่นแหละคือจิตที่หายกังวลเป็นจิตอันกเกษมนี่ความสุขมันมีอยู่ที่นี่มนุษย์ประเสริฐก็ประเสริฐที่ใจดวงบริสุทธิ์นี่แหละการจะทําใจให้บริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยความสะเกียร์กายวันนั้นก็ทําวันนี้ก็ทํางานประจําบ้านประจําเรือนของเราเราทําไมทําได้การทราบการใช้การเกียรติการ ขีดการเขียนเราทำไมเราทำได้การซื้อถูกขายแพงเราทำไมทำได้งานเพื่อร่างกายเราทำได้งานเพื่อใจเพื่อจะปวดเครื่องสิ่งที่ลบลงุงลังกดตัวมีปารญาจิตใจเราทำไมเราทำไม่ได้หัวใจอันเดียวกันความคิดคิดได้ในเมื่อเราจะคิดสร้างปัญญาขึ้นภายในใจของเราเพื่อเครื่องตนทำไมเราสร้างมาได้แต่สร้างสติปัญญาขึ้นเพื่อผูกมัดตนเองจนหาที่ไปไมาได้ทำไมจึงชอบสร้างากันนักในโลกนังสารนี่สร้างเป็นเพื่องผูกมัดตนเองการสร้างตน สติปัญญาขึ้นเพื่อเพื่องตนให้พ้นจากทุกข์ในรับความสุขความสมายเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทําไมเราจึงทําไม่ได้เราก็เป็นคนคนหนุ่งกิจโฉมนุษปฏิลาโปเต็มปูมิอยู่แล้วทำไมจะทําไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําได้ด้วยการถ้าเราจะทํานอกจากเราไม่ทํำเราก็โบนเกิดขึ้นตื่นขึ้นมาวันหนึ่งก็โบนโบนตั้งแต่ย่ารุ่งจนมาั่งย่ำค่าถึงเวลาหลับเวลานอนตื่นขึ้นมาก็โลก โลกจงกระตุลนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับไม่มีความอิ่มพอจะอิ่มพอยังไงก็เสริมความโลภเสริมความโกเสริ infinity, สมความหลงอยู่ต่างคนต่างเสริมต่างคนต่างโลกต่างคนต่างโกต่างคนต่างหลงต่างคนต่างยื้ยั่งแข่งดีกันยุ่งไปหมดโลกก็ร้อนสิอย่างว่ายังไงอยากจะให้โ ล, โลกเย็นก็ต้องดูหัวใจของเราทําเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนมีอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้โดยสมบูรณ์นอกจากเราไม่นํำมาใชา้มีแต่ความบุญและเราบุญมาตั้ง ปีกี่เดือนแล้วล่ะพ่อแม่พาโบนลูกก็บนโบนไปได้หมดเขาก็บนเราก็บนไปสถานที่ใดมีแต่คนบน่นแล้วสําเร็จประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ทําตามเหตุตามผลที่ท่านสอนไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์บ่นขึ้นมาก็หมดลงหมดแล้วเป็นความทุกข์แก่ตัวเองต่อๆไม่มีอะไรเป็นประโยชน์นี่ถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นหลักความจริงเพื่ออาจเพื่อทําจริงๆแล้วเราต้องดูเหตุดูผลอืแล้วโลภเป็นยังไงบ้างเคยโลภมากี่ครั้งเคยโลภมากี่ ปีกี่เดือนตั้งจะหลับตั้งจะตื่นขึ้นมาจนหลับโลภไม่หยุดไม่ถอยโกรธไม่หยุดไม่ถอยหลงไม่หยุดไม่ถอยเคยให้ผลให้ประโยชน์อะไรแกเราบ้างถ้าเรามาทดสอบตรงนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษแห่งความโลภโลภพอประมาณโลภพออยู่พอกินพอเป็นพอไปสม่ำเสมออันนี้โลกทําท่านไม่ว่าคนเสียไม่ว่าคนชั่วท่านบอกว่าคนโลกเป็นธรรมนา ธาขันทั้งเรามีก็ต้องมีการเยียวยารักษาไม่มีสิ่งเหล่านี้มารักษาไม่ได้เราอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเครื่องอาศัยมีบ้านเป็นเครื่องอาศัยมีเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องอาศัยมีอาหารการกินเป็นเครื่องอาศัยสำหรับท่า ح, สนสำหรับขันเราทําให้พอเป็นพอไปท่านไม่ว่าแต่โลกไม่รู้จักพอโลกจนตายนี่ที่เป็นสิ่งที่น่าเสียดแล้วแทนที่จะนับความสุขผู้ใดโลกมากเท่าไรผู้นั้นยิ่งทุกข์มาก ทุกปัญหาที่ปรุงวางไม่ได้นี่เรายังไม่เห็นโทษแล้วเรายังตันหนีพระพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าว่าคืบว่าลาสมัยตัวของเราลาสมัยจนจะตายจะไม่มีป่าช้าที่จะเผากันเพราะความโลภเป็นเหตุความปวดเป็นเหตุความหลงเหตุทาไมเราจึงไม่เห็นโทษของความชั่วของเรานี่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์แท้จะนํามาแก้สิ่งที่ลบลุงรังสกปรกทั้งหลายเหล่านี้ด้วยน้ามันสบัดอันสาดคือทำทําไมเราจะนํามาปฏิบัติไม่ได้ ต้องได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าเป็นคนคนหนึ่งสามก๊เป็นคนคนหนึ่งเราก็เป็นคนคนหนึ่งมีแข้งมีขามีเอวเช่นเดียวกันถ้าเราจะนํามาใช้เพื่อประโยชน์สําหรับเราแล้วต้องได้ด้วยกันไม่มากก็น้อยนอกจากจ ะ, อะอทอธุระเนี้ยเออตายก่อนลมหายใจยังไม่ดับอะไร อ, อะไรอุ้ยตายอะไรอะไรโ้ยตายสู้ไปไหวอะไรอะอุ้ยตายสู้ไปไหวเนี่ยตายตั้งๆงที่ลมหายใจยังมีอยู่ตายแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์เลย ทำตัวของตัวให้อ่อนแอให้ทอดให้ทอถอยทอดทุระในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นกรรมปูกมัรตัวเดิมให้เกิดความเดือดร้อนตั้งปัจจุบันและอานาคตอ๋อการแสดงธรรมก็เห็นว่านานทอดสมควรเลยเพลินไปละแสดงถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาการแก้ตนตะกี้นี้อธิมายถึงเรื่องปัญญาเนี่ยเลยตะเลิดเปิ ด, เ ป, ดเปิงจึงขออภัยกับท่านทั้งหลายด้วย ขอให้นําไปพินิจพิจารณามีอธิบายถึงเรื่องปัญญาปัญญามีทั้งทางนอกทางในเพราะจิต ต, ติดทั้งทางนอกติดทั้งทางในถ้าปัญญาตามไปที่ไหนเรื่องติดนั้นจะทะลุปูปลงไปได้ผ่านไปได้โดยลําดับๆผ่านไปได้จนกระทั่งถึงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรมาติดข้องพภายในใจเลยอยู่ที่ไหนก็สบายสุขโหวิเวโปกวิเวปุคือความสงบภายในใจไม่มีอะไรมาปอกวนรวนรามให้เกิดความเ ด, ดือดร้อนวุ่นวาย เพราะกิเลสตายไปหมดจากหัวใจแต่ใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นแหละคือผู้ประเสริฐนั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นั่นแหละโลกกราบไหว้กิตดวงนั้นกราบไหว้ท่านผู้ น, นั้นแหละเรากราบไหว้พระพุทธเจ้าก็ราะกราบไหว้กราบไหว้ท่านเพราะเหตุนี้ทำก็บริสุทธิ์เรากราบไหว้เพราะทำเพราะเหตุนี้กราบว่เพราะสมก็คือท่านผู้บริสุทธิ์เพราะเหตุนี้เรามาจุมนุมบำเพ็ญคุณงามความดีต่อท่านอาจารย์มั่นโดย ทร้หลาทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะเหตุนี้เนื่องจากท่านอาตานมั่นท่านได้มาหาสมบัติอันนี้แหละไว้ให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขันใจเพราะฉะนั้นท่านพุตสาสนิกชนทั้งหลายที่มาในงานของท่านนี้จะให้เสียเวล่ำเวลาที่ได้มาเอาทุ่มเทลงไปให้เต็มสติกำลังความสามารถเราจะบริจาคอะไรให้บริจาคลงไปไม่เสีย ให้ท่านไปแล้วกลับมาหาเรานี่แหละไม่ไปที่ไหนคุณงามความดีสร้างไปไหนก็ไม่ไปกลับมาหาเจ้าของให้คนอื่นได้รับความเย็นด้วยเจ้าของไปรับบุญรับบุญศลคือความเย็นด้วยเนี่ยบัณฑิตนักปาช ท, ท่านชมเชยยิ่งนักท่านผู้นักเป็นนักใจบุญทั้งหลายเวลานี้เรากําลังมางานของท่านอย่าให้เสียท่าเสียทีท่านผู้ใดที่ยังไม่บริจาคทานก็ให้บริจาคเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ไว้ประดิษฐานเครื่อง สำคัญของท่านผู้วิเศษคือบริขารและพระทาตพระธาตนั้นหมายถึงองค์ของท่านบริขารหมายถึงเครื่องใช้ของท่านมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เราได้กราบไหว้บูชาตลอดไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานจำนวนล้านล้า น, นคนเงินเพียงที่เราจะนำมาสร้างพิพิธภัณฑ์ประมาณสองล้านเศษกว่าบาทเศษนีสองลสอง้านเศษนี้เนาะ ไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายที่จะเขามาเกี่ยวข้องกราบไหว้บูชาท่านอาจารย์มั่นนับตั้งแต่วันเริ่มแรกของพิพิธภัณฑ์จนกระทั่งถึงพิพิธภัณฑ์สลายตัวเป็นเวลาสีสิปีหรืออาจจะเป็นน้อยปีก็ได้คนจะรับประโยชน์จากท่านอาจารย์มั่นนี้มีจํานวนสักกี่ล้านคนเราทําไมจึงจะไม่สามารถยกจิตใจของคนเป็นจำนวน น, นั้นล้านนั้น ด้วยเงินเพียงสองล้านบาทอาจารย์เชื่ออย่างเต็มใจว่าต้องได้แน่นอนทีเดียวะนั้นในอวสานแห่งการเสแสดงธรรมนี้ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรยัยจงมาปฏิบาลรักษาตั้งทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจและมีความแค็งแกร่งปลอดภัยโดยทั่วกันเอวังก็มีฎประการนี <c oughs> อ๋อเตืดไปเต็มมากลหลงทิด้วยเฮ้ทั้งที่แหละพราปลาล้านะั่นต้เป็นนี่แหละเลยหลงทิดหลงแดนไปแล้วเนี่ะมันอบานี้จะให้พร น, นะให้พรยะหาวาริวาหาปูราเปริปูเรนติสาครลังเอวะเมวอิโตทิ น, นางเตตานางอุ ป, ปกาปติ อิชิตังปัตติตังตุมฮังทิปเมวะสมิจฉาตูสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนะ ร, ระโสยธามณิโชติระโสยถาสัพติตโยวิวชัชานตุสั พ, พโรโควินัสตุมาเตภวัสมันตรายโยสุขีทีขายยโกภะ พิวาธนศีดิตะนิจังวุทธาปชายิโนจัตารธรรมาวัานติอายุวันโนสุขังอาลางอ๋อเหนละเหนื่อยเว้ย <laughs>